คนโลเลต่ัดสินใจไม่เด็ดขาดมีจิตฟุ้งซ่านและเมื่อเป็นปกติเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกอะไรที่ทำให้ยุ่งยากใจถ้ามีสองเรื่องมาให้เลือกปุ๊บจิตใจพร่าเลือนระสับกระซายวันไหวทันทีมองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดๆมองไม่เห็นว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจอย่างไรบางทีแค่ตัวเลือกของคนอื่น จนกลายเป็นเลือกของตัวเองไม่ได้สาเหตุที่เราเลือกไม่ถูกก็เพราะวอา ต, ตามใจตัวเองปล่อยใจให้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนานๆคนเรานะครับพอบอกว่าตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นให้ช่วยเลือกแทนทำแค่ครั้งสองครั้งมันจะเคยตัวมันจะติดใจรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนมารับผิดชอบชีวิตหรือว่ามาคิดแทนเรา ไม่กล้าคิดเองออกสตาร์ทนิสัยจิตใจเด็ดเดียวด้วยบุญกุศลเรื่องโลกโลกเนี่ยบางทีเราเคยชินไปแล้วที่จะลังเลที่จะหวันไว้ที่จะโลเลง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเป็นคนตัดสินใจเลือกได้เด็ดขาด ก็มาทําบุญในแบบที่จะเป็นตัวตั้งให้จิตใจมีความรู้สึกเชื่อตัวเองมากขึ้นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอยากจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองได้มันต้องมีสักวันหนึ่งขอให้เป็นวันนี้ขอให้ทดลองทำดูง่ายๆเลยแค่ตั้งใจทำอะไรดีๆที่ทำได้เดี๋ยวนี้เลยและทําได้สาเร็จโชวๆด้วยหลังจากฟังบทความนีจ้จบเราจะเข้าห้องพระ เราสวดอิติปิโสสามจบให้ได้ปกติคนสวดบทเดียวก็ขี้เกียจแล้วแต่นี่เราจะสวดให้ได้สามจบจะไม่ลังเลให้กับความขี้เกียจหรือเรื่องแทรกอะไรตัวที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำได้สำเร็จสำคัญมากมันจะไายเป็นพลังความเชื่อมั่นว่าเราทำได้จริงๆไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เขาเรียกว่าเกิดอธิษฐานบารมีก่อนเข้าห้องพระพรออธิษฐานว่าถ้าเราสวดสามจบได้จริงตามที่ตั้งใจนี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพลังความสว่างหนุนใจให้เราเกิดความเชื่อมั่นที่ตั้งใจทำอะไรแล้วทำสำเร็จโดยไม่กลัวที่จะไปรับผิดชอบกับการตัดสินใจเลือกขยบขึ้นไปทำทาน แล้วรักษาศีลทีละข้อยกตัวอย่างเช่นตั้งใจตื่นเช้าทำกับข้าวใส่บาตหรืออาจตั้งใจเดินไปวัดซื้อข้าวไปถวายพระถึงที่พอทำทานได้ก็ลองรักษาศีลทีละข้อเอาข้อที่ชัวว่าทำได้เช่นตั้งใจว่าวันนี้จะไม่โกหกแม้แต่คำเดียวพอมีแบบฝึกหัดมายู่ให้อยากโกหกแล้วเราผ่านได้ ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีลข้ออื่นๆพอรักษาได้ครบทุกข้อแม้กระทั่งว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนคุณจะเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแบบที่มีบุญสนับสนุนหรือว่าหนุนหลังอยู่จิตใจมันจะต่างไปเป็นคนละคนเลยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความเฉียบขาดมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สติที่จะตัดสินใจ มีความแน่นอนมั่นคงขึ้นแล้วก็ไม่คิดมากแต่คิดเฉพาะที่ต้องคิดว่าอะไรดีกว่ากันอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันไม่กลัวที่จะเลือกไม่รักพี่เสียดายน้องจะรู้สึกว่าถ้าเลือกผิดเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบเข้มแข็งพอที่จะรู้สึกว่าเราสามารถรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองจะเลือกได้